ปุชชาวิสัญญะธรมกับท่านหลวงตานระลงศักทีนารโยนตอนศิลปะแห่งการเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันมัครับก็วันนี้วันนี้มันนั่งนั่งนั่งสืบพยานนะครับตรงนี้เราก็ พอดีมันได้นั่งสงบมันไม่ต้องคิดอะไรอะครับหลวงตาจิตมันก็เหมือนมันแบบเข้าไปสงบอยู่แล้วมันก็เห็นอาการที่ดิ้นดินดินมาตลอดนะครับหลวงตาเห็นอาการที่ดิ้นแม้แต่เราสงบอยู่มันก็ยังมีอาการของจิตที่มันดิ้นลนขึ้นไหวอยู่ครับหลวงตามันเหมือนมันหลุดออกมาจากเป็นผู้คิดนะครับหลวงตามันก็เลยแบบเหมือนเห็นความเคลื่อนไหวครับตื่นรู้ เห็นเห็นแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรมันแค่รู้อย่างเดียวตรงนั้นนะมันเหมือนแทบจะหาความเป็นตัวเราไม่เจอเลยมีแต่อาจิตที่มันเกิดับเปลี่ยนแปลงเป็นอาการตลอดเลยอะครับหลวงตามันก็เหมือนมันมันรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆเคยเกิดตอนที่เราเริ่มภาวนาใหม่ๆแล้วเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ย มันเกิดแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรมันเห็นแบบทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเลยเราก็ไม่เข้าใจมันว่ามันเป็นอะไรเราก็พยายามกระชากมันกลับมาคือหนึ่งพยายามให้มันนิ่งสองก็พยายามให้มันประคองให้มันว่างไปเลยหรือว่ากลับมาเป็นปกติอะไรเงี้ยเพราะมันสงสัยแต่คราวเนี้ยเนี๋ยอยู่ตรงต้องตลองลองลองตั้งใจฟังของโอเคเขาเนี้ยว่าตัวไหนผิดถูกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะบอก ครัาวนี้พอกลับมาแล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับหลงไปเป็นผู้คิดตลอดเลยพอมันหลุดจากผู้คิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อยเห็นว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีเวลาแบบออกหลุดออกมาจากความคิดเลยพอเห็นโดนี้แล้วก็ เมื่อกี้ก็มาฟังหลวงตาอีกพอพอผมหลุดออกมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่สุรีถามเราแอบฟังอยู่อครับฟังไหมแอบฟังครับที่ว่าเห็นอาการของจิต ท, ที่มันที่ที่ที่เ<อ>พราผมก็รู้สึกว่าพอกลับมาก็อ๋อบางทีเราก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นเห็นแล้วก็มันรู้สึกว่าอมันมันคือพอเห็นแล้วเนี่ยมันแทบจะแทบจะไม่รู้เลยว่ามันคิดเรื่องอะไรเราก็กลัวมันไม่ถูกอีก เพราะามันต้องไปรู้ความคิดจริงๆก็เห็นอาการของจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนลงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยคือมันมันก็เห็นแล้วมันก็ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆครับ mm. ก็นั่นแหละครับพอรู้ตรงนี้ก็รู้ละผมรู้แล้วว่าตรงประเด็นที่ผมติดอยู่มากๆเลยเนี่ยทําไมผมถึงหลงตาให้บอกว่าให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันต mm. ลอดแค่เราไม่หลงไปเป็นจิตตสังขารก็จบละ ผมก็เข้าใจว่าการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาการที่ผู้รู้ว่แยกออกจากจิตสังขารชัดเจนผมก็พยายามสร้างอาการนั้นขึ้นมาเพื่อให้มันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอาการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันสติสมาธิปัญญาพยายามตื่นขึ้นมาเพื่อให้รู้ปัจจุบันแค่นั้นเองก็คือเราก็ปรุงขึ้นมาให้มันตื่นรู้เพื่อไม่ให้เราหลงไปเป็นจิตสังขารนะครับ มันก็ต้องปรุงอยู่เพราะว่าตื่นรู้เนี่ยอยู่ๆเราจะแยกผู้รู้ว่าจากจิตเลยไม่ได้อันนั้นคือจิตต้องพ้นแล้วอ๋อก็แค่นี้ยังก็แค่คอยตื่นรู้ตื่นรู้บ่อยๆไม่ให้มันหลงไปเป็นอาการของจิตก็คือก็ต้องปรุงตื่นรู้ที่ที่ผมพยายามที่ผมติดอยู่นั้นนานก็คือพยายามไปปรุงเอาความแต่เอาความตื่นรู้ที่มันถูกต้องจริงๆไม่ต้องก็เราปรุงความตื่นรู้เหมือนปกติเนี่ยก็ใช้จิตต่อสังขารปรุงขึ้นมาเนี่ย พราผมพยายามไปปรุงตื่นรู้มันก็เลยทําให้ผมเป็นหลงตลอดทั้งที่พยายามจะตื่นรู้จริงๆแล้วก็แค่ปรุงคือความตื่นรู้เนี่ยให้ให้ตื่นรู้รักษาจิตอยู่ บ, บ่อยๆรู้ตัวขึ้นมา บ, บ่อยๆเนะี่ยอันนั้นก็คือการปรุงแต่ผมไม่เข้าใจผมว่าพยายามไปหาให้มันไม่ปรุงเวลาตื่นรู้มันก็เลยติดแต่พอผมกลับมาอยู่ที่ว่าตื่นรู้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรุง เราก็ปรุงให้มันคอยรู้ตัวตื่นตัวขึ้นมาตลอดไม่ให้มันหลงไม่เป็นจิตสังขาร น, นะครับความมันก็เริ่มเริ่มความเข้าไปปรุงแต่งข้างในที่ไปดินน้นรนอึดอดัอดอดึอดอดัดหาวิธีปฏิบัติหาอะไรเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็สั้นลงสั้นลงอ่ะครับความจิตที่มันดิน้นดินตลอดแล้วมันไม่เห็นจิตที่มันดิ้นรนเนี่ยมันเห็นแต่ความคิดตลอดเนี่ย มันไม่เห็นความจิต ท, ที่มันก็เพื่มวันไหวจะไปทําไปทําไปทําตลอดที่มีกิเลสครอบงําตลอดนี่มันไม่เห็นแต่พอเราตื่นรู้ความคล้ายๆกับความดิ้นรนของจิตเนี่ยมันค่อยๆคลายลงหน่อยมันก็เริ่มมาเห็นอาการของจิต ท, ที่มันเคลื่อนไหวแล้วก็เริ่มเห็นความคิดนะครับหลวงตามันก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อตอนนี้ค่อยๆค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะครับหลวงตาก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามันคลายคลายใจไปเยอะครับหลวงตากับวันที่วันแรกๆที่มาหาหลวงตาแล้วก็แบบยังรู้สึกว่าวุ่นวายแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มันทําให้ใจมันสงบระงับขึ้นก็คือว่าความคิดวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกแล้วก็ความคิดพิจารณาธรรมเวลาผมฟังธรรมเวลาผมฟังธรรมผมก็จะจี๊ดจีจีคิดตามที่หลวงตาสอนตามคนที่มานั่งถามธรรมครับ มันก็ทําให้ผมติดเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในจิตก็พอผมทิ้งทิ้ ง, งคือผมไม่ฟังทําไม่อะไรต่อแล้วรู้สึกว่าดีความคิดความอะไรมันก็จะเหมือนมันปล่อยไปะครับลวงตามันก็กลับมาอยู่แค่กายแค่จิตดูวุ่นวายแค่ความปรุงแต่งของเรารู้แต่ความปรุงแต่งของเราอย่างเดียวเพราะเวลาผมไปเกาะอะไรภายนอกแม้แต่เรื่องคิดพิจารณาทำรเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เหมือนสมาธิมันส่งออกนอกมันไม่ได้มาเห็น ตัวเราพูไปคิดนึกตึกต้องอาการต่างๆอครับแต่พอสมาธิมันไม่ได้ส่งออกมันมันเห็นมีแต่ความปรุงแต่งของเราความการพิจารณาเห็นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันชัดขึ้นนะครับหลวงตา <c oughs> ครับหวงตาพูดยาวเลยครับมีแ <c> ค <oughs> ่นี้นะครับเห็นแล้วที่โอบอกว่าเห็นเห็นเห็นเห็นอย่งนั้นแหล เห็นกิริยาการของจิตเห็นแล้วเริ่มเป็นยังไงเมอโเห็นกิริยาการขอจิตที่ว่าเห็นเห็นเห็นกิริยาการของจิตแล้วเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นตลอดแล้วมันเหมือนมันไม่มีเราอยู่เลยอะครับหลวงตาเหมือนมันมีแต่อาการที่มันเคลื่อนไหวเกิดดับขึ้นตลอดเลยครับหลวงตาความรู้สึกมันเหมือนว่า อ๋อมันไม่มีเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองคือทุกอย่างมันเป็นแค่อาการนะครับหลวงตาถ้าผมเคยเข้าสู่ความสงบแล้วความรู้สึกเวลาเข้าสู่ความสงบเนี่ยเหมือนเรามีเราเป็นเจ้าของความสงบอะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนว่าทุกสิ่งมันก็เกิดขึ้นของมันแต่ว่ามันเหมือนมันมันมันมันมันไม่เกี่ยวกับเราอะครับหลวงตามันก็ยังคงเกิดอยู่แต่ความสงบมันมันไม่มีมันมันไม่มีเราอะครับมันมีแต่ความเกิดขึ้นนะครับหลวงตา มันเหมือนมันเห็นมันเห็นแล้วก็แบบความไอ้นี่มันไอ้นี่มากเลยครับตรงละโอยังเอาตัวเราก็ไปเป็นสังขารเก็บตัวอัดตัวความรู้ความเข้าใจนะเนี่ยยังหลงเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสังขารตักตวงเก็บความรู้ความเข้าใจให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ ไอตัวนี้ยังหลงอยู่นะขณะดนี้ต่อหน้าเราเนี่ยสังเกตได้ดีเลยแต่ยังมีตัวที่ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นตัวเก็บตัวเก็บกองเข้าใจให้มากไอตัวนี้เป็นสังขารนะถ้าเราหลงไปเป็นตัวนี้เราจะยังหลงเป็นสังขารอยู่หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่ง ลงก็ตัวเราเนี่ยลงมาเป็นสังขารเลยเราไม่ได้จะไม่พ้นจากสังขารเข้าใจไหมอ้าพูดไปจริงไหมยอย่างที่เราพูดเนี่ยจริงครับลวงตามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่นิ่งอยู่ <c oughs> คือมันยังมีความเป็นตัวตนอยู่อีกอันหนึ่งที่เข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจอีกครับอครับก็คือตามใจที่มันคือมันมีความรู้สึกอยู่นิดนึงเนี่ยมันยั ง, ม, ยงมันยังสงบอยู่เป็นเราอยู่ครับลวงตา แท้ที่จริงแล้วไอ้ตัวนี้มันก็เคลื่อนไหวอีกตลอดนะครับหลวงตาถ้าทิ้งให้มันเคลื่อนไหวเป็นปกติมันก็ไม่มีอะไรอ่ะครับความเป็นเลมก็ไม่มีอะครับหลวงตาอย่าตัวเราไปอย่าตัวเราไปค้นดิครับคือบางทีพอปุ๊บพอเข้าสู่จุดหนึ่งแล้วมันก็จะแบบมีตัวเราเข้ามาแล้วมันก็จะค่อยๆเก็บความรู้ะครับหลวงตามันก็รู้สึกตัวเราละเลยเลิกเลิกเลิกไอ้ตัวเราจะไปเก็บความรู้เนี่ยเลิกเลยครับ แต่ในวุตจะหลงถลำว่มมาตัวเราไปเก็บความรู้อีกไปดูไปรู้ <พอ S 1> ไปพอเวลามีตัวเราเก็บความรู้เนี่ยมันเหมือนความคิดมันปรากฏขึ้นนะครับมันเป็นสมมุติอธิบายต่อไปครับหลวงตาหนึ่สองสามสี่ผมก็แต่ว่าคือถ้าหลวงตาบอกเนี่ยผมพอจะเข้าใจครับพอพอปรากฏตัวเราปุ๊บมันก็จะมีสมมุติอธิบายมาตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นต่อครับหลวงตา<ม> ก, ก็ก็คงจะเป็นตัวนั้นแหละที่ยังเก็บความรู้อยู่ครับ ตัวนี้ก็ต้องทิ้งไปจะเอาตัวเราหลงไปไปไป็นตัวเก็บความรู้เนี่ยครั้งแรกผมคิดว่ามันเป็นระบบออตโต้ของของจิตเวลามันเข้าใจแล้วมันก็จะมีสมมุติอธิบายด้วยแต่แท้ที่จริงมันแอบเป็นความของเราที่ว่าเราต้องการเก็บความรู้ไว้มันก็พอมีเราสงบอยู่มันก็เลยอธิบายให้เราฟังด่ามันเป็นอย่างนี้อย่างงี้ ครับลงตาน่าน่าจะค่อยๆสังเกตได้ครับเจ๊ได้เจได้ครับอเอาคนไหนเอาคนไหนก่อนจะปอก็จะหยกเอาคนไหนก่อนอะอ่ะว่าอะไหอ่ะ ก็ไงก็ตั้งแต่วันนั้นคือเหมือนมันมันจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่พอวันนั้นคุยกับพี่เชอรี่พี่เชอรี่เขาบอกว่าหนูฟุ้งใช่มันหนูพยายามจะขวายคว้าพราะมันรู้สึกแบบเคว้งอ่ะหลงตาแล้วมันมันไอ้นี่มันมันพยายามจับไงแต่คนมันมันรู้ว่ามันจับไม่อยู่ พอพี่ชอรี่บอกว่าให้ลองไปฟังอันเก่าที่หลวงตาเคยบอกอเคยสอนอะไรอย่างเงี้ยไว้เออมันฟังเข้าใจค่ะหลวงตาคือคือการที่ลงมือไปกระทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นการเป็นสังขารหมดเลยค่ะหลวงตาคือผู้รู้เนี่ยคือหลวงตาพยายามในแต่ละครั้งหลวงตาพยายามบอกว่ามันมั น, ม, นมันไม่มีอะไรเลยมีความว่างเปล่าหนูก็พยายามในหลายๆครั้งพยายามจับว่า อย่างมันคือความว่างเปล่านะมันเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงแล้วว่ามันเป็นสังขารใช่แล้วก็เลยก็เลยมองมองเห็นอ่ะดวงตาบอกแล้วพิชรี่บอกว่าเออมีสตินะมีสติมันก็ อ, กอมีสติเสร็จแล้วพอตอนแรกก็คิดว่าอมีสติก็คือการการการรู้ว่าเราคิดอะไรอะไรแต่ไม่ใช่มันเป็นการตั้งรู้ พอทำทำไปรู้สึกเราสุดที่เราตั้งให้เรารู้เราเห็นว่าเรากาลังคิดอะไรอยู่ก็เลยปล่อยผ่านพอชักหนึ่งเราก็เห็นทีท่ทีท่คิดแล้วก็พอนึกขึ้นมาได้อะเมื่อกี้เราคิดเรื่องนี้อันนี้หนงคิดวอันนี้น่าจะใช่กว่าก็คือเหมือนจะคิดอะไรก็ปล่อยผ่านไปแต่ว่าให้เห็นว่าเราคิดคิ ด, คดเรื่องอะไรอยู่ณขณะดไห น, นแต่มันก็มีเพลินมีเพลินเพลินแบบเพลนินหลงเข้าไปบ้างแต่ก็พอสักพักนึงก็เออกลับมา ยังมีหลงอตัวเราไ ป, ไปละละเวลาเราเปิดมันก็หลงอตัวเราไปไปปรุง<ม>ไปคิดไปปรุงไปแสดงกิริยาการเป<ม>็นผู้คิดผู้ปรุง<ม>เราก็เลิกความรู้ึตัวเราวมดเราก็เลิกขึ้นมาเลิกขึ้นมาแต่พอเลิกขึ้นมาแล้วเนี่ย<ม>เราเล่าออกมาได้มาเป็นผู้รู้แต่ความจริงนกว่าไม่หลงหลงอีกอะ่ะ<ม>คือ <laughs> พอละมาได้เราจะมีกิริยาการแสดงความดีใจที่เราละเอามาได้คือสภาวะสุขวิจิตที่ดีแล้วเราก็จะดีใจเลยใช่อันนั้นก็เห็นเหมือนกั น, นก็ไม่รู้สึกว่าเออปล่อยให้ามันลูล่หลงไปอย่างนั้นอากาหลงตาไม่ได้ไม่ได้แล้วหลงปุ๊บต้องรู้ตัวตัวขึ้นมาเลยเ ค, คือคือต้องถ้าหลงถ้าหลับเนี่ยเอาเราไเป็นสังขารเราก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็หลงอีกคือดีใจกับอาการที่ไม่หลงก็คือหลงอีกคือหลงก็เป็นสังขารอีก เราก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอีกและจกนกระทั่งรู้สึกตัวมาแล้วไม่หลงก็ถลําเอาเข้าไปตัวเราอนี้เข้ปเป็นสังขารเลยผมไม่ถล่มว่าตัวเราเป็นสังขารแล้วเนี่ยต่อไปจิตสังขารเนี่ยเขาจะแสดงกิริยากายเขาแสดงขึ้นมาก่อนแล้วเราก็รู้ที่หลังคือไม่มีตัวเรารู้หรอกคือธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไปแค่รับรู้ที่หลังว่ามีกิริยาการอะไรเกิดขึ้น ได้ค่ะอันนั้นก็ยังก็ก็เห็นเห <ste f> ็น <road> กันยังบอกเจฟ้องเหมือนลิงเนี่ยตอนเนี้ยคือมันเห็นเห็นแล้วก็ยังเล่าให้เจฟ้อฟังเจฟ้องเจฟ้องมันเนี่ยเหมือนลิงเลยอ่ะมันมันจุกจิกจุกจิกไปหมดเลยก็ยังเล่าให้เจฟ้อฟังก็ขยายก็จับมันจับเลยรู้สึกมันจับจับไม่ได้มันเป็นลิงไปหมดเลยแล้วนี่ก็เลยเล่าให้เจฟ้อฟังบอกเออออมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออแหนเห็นว่าเป็นลิงเห็นว่าอะไรแต่ยาวตัวเราสลับไปเป็นมันค่ะเอเห็นจิตที่มันะ กุกีุีกุ้งวกกุ้้งี้อะไรงนันแหละมนลิงป่าผู้เจ้ตัดเอาเหมือนลิงป่าเราจะหลงว่าเราไปเป็นลิงป่าคือตัวเราไม่มีไงไม่มีตัวแบบวิตาลิงป่ากขูกี้ไม่มีใครไป่งรายกับเขาเมื่อกีที่ฟังสุรีพูดก็เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจมากขึ้นคือไม่ได้ไปทาให้มันมันไม่มีอาการไม่มีลิงป่ามันมีอาการของลิงป่าพี่กี้กเนี่ยตลอดเวลาจิตอะแต่ไม่มีใคร ไม่มีใครไปทำอะไรกับมันเมื่อไหร่ที่อาการของลิงป่าหายไปไปอยู่วงว่ามาเบาอันนี้หลงแล้วหลงแช่แล้วเนะี่ยอันตรายค่ะมีมีเหมือนกันค่ะอันนั้นก็มีฟุง้งฟุ้งไว้เหมือนกัน ม, มีค่ะเวลาอยู่ตัวคนเดียวจะเห็นได้ชัดใช่ค่ะหรือเวลาเราอยู่หน้าร้านไม่มีใครเข้ามาหรืออะไรเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวเราก็จะเห็นชัดเลยค่ะจะเห็นชัดว่าเราหลงเข้าไป เป็นพวกปุงไปเป็นสังขารปรุงแต่งหรือเปล่าหรือว่ามันมีกิริยาการของสังขารขึ้นมาแล้วก็ได้แดดลูผ่านลูผ่านรูผ่านลูผ่านไปรับรู้แล้ผ่านไปรับรู้แล้ผ่านไปค่ะต้องฝึกนะอันนี่ต้องฝึกมากเลยค่ะต้องฝึกตอนอยู่ตัวคนเดียวเดี๋ยวถึงจะเห็นชัดเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเู้สึกบพอเวลาหนูฟังฟังเวลาหลวงตาสอนมันเหมือนเข้าใจนะคะแต่มันเป็นเหมือนกันมันเข้าใจแบบ ความคิดน่ะมันกระทาลงไปกระทำทุกครั้งเบอร์เบอร์เออเอออย่างนั้นนะคะหลวงตาที <S <S <ม>นี้ก็เลยเ อ, อพอเห็นเป็นตัวเองมันจุกจิๆๆๆกจุกจิกจุกๆิมันก็รู้สึกเออแปลกใจอีกรอบหนึ่งก็เลยอ่ะอ่ก็เล ย, เ, เ, ลยเลยเข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเออนี้มีการลงไปกระทําเห็นเห็นเหมือกันต้องฝึกฝึกให้ชํานาญฝึกมันก็จะลงหลงไม่เป็นคนปุงหลงโคคนพยายามจะดูพยายามจะเช็คพยายามจะตรวจสอบ มันมันมีตัวนั้นเหมือนกันสลับแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวกแว็กเกอร์เนี่ยสลับไปไแล้วสลับไปเป็นคนเช็คคนตรอบตัวคิดคนดีใจกับเพื่อต้องไอตัวที่อยู่นิสุมรัติการคือความรู้สึกไวในใจจะแยบขายว่าตัวเราไม่มีตัวตนไมมีตัวเราไม่มีเลยเพ้าทุกกิยาการไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเลยเนาะตอบว่าไง ของปอก็ยังต้องอาศัยสติอยู่เยอะๆเลยค่ะหลวงตาเพราะมันยังหลงไปในอารมณ์หมดทุกอย่างเลยค่ะแฉะบางทีโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเวี่ยงไปพอเห็นอาจารย์เราดีใจก็หลงกลับไปเป็นอารมณ์อีกคือไอ้ที่ว่าเรามีสติเราไม่ได้มีสติเลยค่ะหลวงตาคือบางทีเพลินไปทั้งวันจนแบบมันไม่ตื่นไม่ตื่นเลยค่ะหลวงตา ทนแช่ไปทุกทุกอย่างสเปสะปะเลยค่ะขาดสติหมดทุกอย่างแล้วมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในขณะปฏิบนันทุกขณะปัจจุบันแน่พอเนี่ยมันหลงว่ามีตัวเราจะไปต้องไปเป็นอะไรแต่มันไม่ได้ทันทีก็เลยทับแขนใจคือ้ตัวความหลงตรงเนี้ยมันยังไม่ตัดขาดออกจากใจว่าตัวเราไม่มี ดังนั้นน่ยกิริยาการในปัจจุบันมันจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่มีตัวเราเน่ยไม่มีตัวเราเลยมันมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีตัวเราก็คงมีแต่กิริยาการที่ไม่มีตัวมันก็ไม่มีตัวเราเขาไปยุ่งวุ่นวายกับมันมันมีแต่กิริยาการ้มันก็จะดับไปเปลี่ยนไปมันจะเป็นยังไงก็ดับไปเปลี่ยนไปแต่ของตอนเนี่ยหลงคือมีตัวเรายืนพื้นไว้แล้วพยายามจะทําให้ไปสู่เป้าหมายที่ตัวเราต้องการอะไร เป็นต้องการว่าถ้าเราเนี่ยปฏิบัติได้อย่างที่อาจารย์สอนมันจะไปสู่นิพพานนิพพานคือความสุขความว่างทั้งหมเบาสบายอันนี้มันมันมนหมายผิดเพราะเราไม่ได้ไปอย่างนั้นได้เส้นทั้งทีมมันเลยครับแค้นใจขัดข้องใจว่าทำไมเดี๋ยวเราไปเป็นอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราทำไมจึงไปเป็นอย่างนี้โอ้เราหลงทั้งวันเดี๋ยวเราอย่างุ่นเดินเราอย่างนี้เราไม่มีหลม มีแต่กิริยาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วดับไปเกิดขึ้นในปัจจุบันแลดับไปดับไปได้รับรู้แต่แทุกกิริยาการเหมือนบอกที่ว่าลิงป่านจิตมันลิงป่าเนี่ยเมื่อไหร่ลิงป่ามันหายไปเราจะกลตายจิตมันเนลิงป่า่งั้นแหละแต่มันมีใครเนี่ยเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับไปฆ่าลิงป่าเพราะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราจิตมันคงเป็นลิงป่าเป็นลิงป่าอย่างนั้นนวุ่นวาย่นนละเมื่อไหร่เราไปอยู่กับว่างๆเนี่ยอันนั้นเราผิดแล้วไเอย ที่เราคาดปมายว่าเป็นไอ้ทุกข์ม่กี้เพราันมันมีแต่ลิงป่าแต่แต่นอกจากลิงป่าแล้วไม่มีใครไม่มีตัวเราอีกมันก็มีแต่จิตมันก็พูดนไหววันน่ะชุกชมนลิงป่าตลอดเวลาแต่นอกจากลิงป่าแล้วไม่มีใครอีกไม่มีตัวเราอีกแล้วไม่มีใครอีกมีแต่ลิงป่าก็มันร่นนั่งอยู่ทุกข์ัปัจจุบันเห็นอย่างนี้ทุกข์ลังปัจจุบันจิตเนี่ยมันจะกชุกกเป็นเรืองเราวอะไรหรอถ้าเปนเรื่องเป็นราวแสดว่าเราหลงไาคิดแต้วเราต้องล อาต้ามันคิดไปเรื่อยเป็นยาวนั่นแหละคือหลงไปคิดแล้วเราก็รู้สึกตัวคือบาเริ่อเรื่อเรค่ะก็ยังต้องใช้ใช้อย่างนั้นด้วยค่ะอาจารย์ยังต้องใช้อย่างนั้นด้วยหลงหลงคิดยาวแล้วก็เราจะทิ้งรู้ดิจิตมันลิงป่าเนี่ยมันอยู่เหมือนกับว่ามันอยู่ในล้านเราเนี่ที่เราบอกว่าอยู่ในร้านทองเนี่ย ลิงป่าเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึงอยู่ในร้านทองเนี่ยเราจะต้องรู้มันตลอดเราจะทิ้งรู้ไว้ได้แต่เราไม่เย็รู้แล้วไปทําอะไรกับมันเพราลิงป่าเอาลิงป่าเข้าไปไว้ในร้านเน่ย mm. เราอยู่ลบบุรีด้วยเ <c oughs> นี่ยเราเคยอยู่ใกล้ใล้บุรีเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าลิงมันเป็นยังไงมันก็ลิงมันอยู่ในร้านนะถ้าเราเนี่ยไม่ดูมันอ่ะไม่เห็นมันเนี่ยมันก็นเลือคุยกระจายไปในร้านทอง <c oughs> มันลิงป่านี่มันอยู่ตลอดเวลาต้องรู้มันทิ้งรู้ไม่ได้กันรู้ลิงป่านี่แน่เพราะว่ามันมีลิงป่าอยู่ตัวในตัวเราเหมือนกับเราไอตัวเราเนี่เป็นล้านทองแล้วมันมีลิงป่าอยู่ตัวหนึ่งในตัวเราเนี่ยไอตัวเราได้ตัวเราเนี่ยเป็นล้านทองแเราเนี่ยมันจะขอล้านทองอยู่ไอตัวเราเป็นล้านทองแล้วในตัวของเราเนี่ยมีลิงป่าอยู่ตัวหนึ่งอ่ะคือพระเจ้าสาวจิตมันลิงป่าเราต้องรู้มันอยู่ตลอดเวลาเราทิ้งรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยมันอ่ะโอ้โหลองคิดดูอยู่ในล้านทองมันลิงอยู่ไว้ตัวนึ่งแล้วเป็นยังไง มันลือหมดแล้วตู้เติรดแจกแตกกระจายไปหมดเล้วไมเหลือหลอดทองเทิงประจับกว้างทิ้งหมดไม่ใช่ว่าเราไปฆ่ามันให้ตายใีป่าเราฆ่าไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้มันอยู่ในบรงคับของเราเราฆ่ามันก็ไม่ได้แต่เราเนี่ยต้องรู้มันแต่รู้มันไม่ได้ฆ่าอะไรมันหรอกแต่แกตัดตาวารู้มันตัดตาวารู้ตัดตาวเห็นมันตัดตาวรู้ตัดตาวเห็นทุกนาปัจจุบัน ทุกทระดจิตปัจจุบันไปหมายไว้อย่าไปหมายว่ามีตัวเราเดี๋ยวต้องไปได้ว่างไปได้ไปได้สบายอะไรไม่มีเรามีแต่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขณะที่สัตว์วารุลิงป่าสัตว์วารลิงป่าเรื่อยไปเด็กกว่าจะตายตัวเราเนี่ไม่ปรากฏเลยมีแต่ลิงป่าปรากฏคือมีแต่จิตแสดงการปรากฏตัวเราไม่ปรากฏเลยอย่างนี้จะเข้าใจไหมเข้าใจคับอาจ ผมว่าไงพี่สองคนก็ตอบโตนไปมาแล้วเหลือโอกลับมาเข้าใจไหมโ อ, โ, อ โ, อโอจะเพี้ยงขึ้นไหมเข้าใจครับหลวงตาผมไม่ไม่ทราบนะครับหลวงตาผมก็คล้ายๆเข้าใจของน้องปอด้วยครับหลวงตาคือของน้องปอเนี่ยเขาเขายังไม่ขาดจากความคิดนะครับหลวงตาคือเขายังเห็นว่าความคิดเป็นเขาอยู่จิตเรียงเป็นเขาอยู่เขาก็เลยแบบ วุ่นวายกับอาการของจิตมากมันก็มีความเครียดตกค้างด้วยฮะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับไอปอเขารู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ครับมีตัวเราอยู่อไอตัวนี้ไอความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยปอก็ไม่ได้ทิ้งไปอืมครับเพราะเวลาปฏิบัติ่มันจะผิดตลอดถ้ามีมีมีความรู้สึกมีตัวเรายืนพื้นเนี่ยมันจะปฏิบัติไปเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้อะไรพอไม่ได้อะไรมันจะขับแค้นใจ มันเหมือนมันต้องคลายความเล่าร้อนออกไปนิดนึงแล้วตัวรขตรงจำถึงจะเห็นว่ามันไม่มีเราครับไม่ใช่มันต้องมันต้องโยนิสโตนวติการคือว่ามันต้องรู้สึกไว้ในใจเลยตัวเราไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราครับไอเนี้ยทิ้งไม่ได้โยนิสโตรวณติการตัวเนี้ยอ๋อก็คือว่ามันเหมือนกับผมผมเคยคิดอย่างนี้นะครับหลวงตาคือพอผมรู้ว่ามีกายเนี่ยกายเนี้ย แต่ความรู้สึกว่ากายมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เลยอิสระจากกายแต่มีจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในตลอดมันจับอาการได้ถ้าเรารู้สึกว่าจิตมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เหมือนกายก็คือทิ้งกายคงอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่วุ่นวายกับมันจิตเหมือนกันเพียงแต่จิตเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปบ่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่ามันมันไม่ว่ามันจะโกรธดีใจหรืออะไรยังไงก็ตามมันคิดมันหลอกยังไงมันก็เป็นจิตมันไม่ใช่เราเหมือนกายเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกับจิตเหมือนกันใช่ใช พอรู้อย่างนี้ปุ๊บอ๋ออาการจิตมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันมันไม่ใช่เราก็คือถ้าถ้าตรงนี้มันมันจะค ล, คลายความรู้สึกตรงนี้หร้อเป่าหลวงตาว่าอ๋อพอคลายปุ๊บก็เลยจิตคงมีอาการยังไงความเล่าร้อนในจิตมันก็เลยหายไปคล้ายๆกับว่ากายป่วยบางทีเราก็ไม่วุ่นวายกับมันเพราะว่าเรารู้สึกกายไม่ใช่เราแต่พอจิตเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยก็เหมือนลูกกายอย่างหนึง่งพอรู้ปุ๊บมันก็เลยพอรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่เราอย่างเงี้ย ใจปอก็คลายเลยก็เหมือนสบายกับอาการจิตแล้วก็จะเห็นอาการจิตง่ายใช่ไหมครับหลวงตาครับครับขาดโยนิโสมนติการไปมัน ไ, มไปตรงกันข้ามมันอะโยนิโสมนสิการคือไปรู้สึกไว้ว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยคือพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวตัวเราจะได้อย่างนี้เดี๋ยวตัวเราจะเป็นงนี้ทําไมตัวเราไม่ได้อย่างงี้ทําไมตัวเราไม่รู้ไม่เห็นอย่างงี้ทันทีทําไมตัวเราไม่ปรากฏอย่างนั้นทันที มันเป็นอายโยนิสโสบรรทิการคือมันนั่นโยนิสโสบรรทิการตามที่พระเจ้าสอนว่าเราตัวเราตัวตนของเราไม่มีทุกกิริยาการเนี่ยที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าตัวเราไม่มีแล้วเราคงกิริยาการมันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะให้แค่แข็รับรู้รับทราบแข่รับรูบ้รับทราบอย่างเนี้เรื่อยไปจนกว่าจะตายไม่มีตัวเราจะได้ไ อ, อะไรเป็นเป็นอะไรเลยไม่มีเพราะตัวเราไม่มี มีแต่รับรู้รับทราบทุกคิดทุกอาการทุกเกีริยาการในขณะปัจจุบันไม่มีใครไปไล่รู้หรอกมีแต่เห็นว่าทุกคิดทุกาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดับไปในปัจจุบันไม่มีใครไปไปยุ่งวุ่นวายกับมันเพราะตัวเราไม่มีก็คแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้ทราบทุกคิดทุกกีริกกยาการในปัจจุบันที่กำลัจะตายเลื่อนไปอย่างเงี้ยไม่มีตัวเราจะไปได้ไปเป็นอะไรเอาให้ปอก็พูดหน่อยนี้เอาผมขอถามอีกนิดนึงไม่ส่งครับน้องนะนนนะแค่รู้ถึงความ มีอยู่ของจิตก็พอใช่ไหมครับหลวงตาไม่ต้องรู้ว่ามันเคลื่อนไหวยังไงมันคิดอะไรยังไง ร, รู้มันมีความเคลื่อนไหวอยู่แค่นี้ก็พอใช่ไหมครับหลวงตาใช่ใครับพอใ ช, อใช้ใช้คือยังยังมีสังขานจิตอยู่ก็ตั้งรับรับรับรับรับรับรับมันเลยมีตัวให้ผลตลอดเลยครัหลวงตาก็เราไปอ่ะโยนิโศ ม, ม, มรัติการคือไม่โยนิโศมรัติการ ไปอะโยนิโสก็คือไปรู้สึกว่าเรามีตัวเรามีตัวตนของเรามีตัวเรามีตัวเราตัวเราพอเราปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ก็อัดขับข้องใจแล้วเราไปคาดหมายว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติได้เดี๋ยวจะมีตัวเราไปได้อะไรแต่พอตัวเราไม่ได้อะไรไม่เป็นอย่างที่เราคาดหมายก็อัดขับข้องอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราอะโยนิโสมรณาติการคือ ไม่โยนิสวงมันในกันที่ว่าตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีตัวเราทุกอย่างมีแต่อานิจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เที่ยงไม่มีมีแต่ความไม่เที่ยงตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนมีแต่ความไม่เที่ยงอานิจังทุกขังอนัตตาอนิจังทุกขังอนัตตาคือมันต้องโยนิสวงมันในกานไม่ได้ใจว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสเพสังขาราอานิจจาสังาาทั้งหลย คือร่างกายกับจิตใจหรือรูปธรรมกับนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปธรรมานามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปสัพเพธรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร และไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ไงทั้งที่เป็นสังขารด้วยนะคือสิ่งสิ่งที่เป็นปรุงแต่งและไม่ใช่สังขารคือวิสังขารเนี่ยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดม้านถือบั่นว่าทั้งที่เป็นสังขารทั้งหมดและวิสังขารเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราวันนี้มีคนผิดเนี่ยที่เห็นชัดชัดที่ที่ไปสอนวันที่สารโคโรรา <est> ส์ค<ล> <ๆ S 1> ือเขาไป่ได้ยึดเอาส่วนที่เป็นสังขารนี่ยคือความรู้สึกนึกิตอารมณ์ส่วนที่ปุงแต่งอะ เป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่เขาไปยึดเอาวิาสังขารคือเอาความไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นตัวเรายืนพื้นไว้เลยภายในใจของเขาไม่มีกิยาการของจิตที่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าเขาไปเป็นส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวเขายึดเอาความไม่เคลื่อนไหวความไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นตัวเรายืนพื้นไว้เลยเลสัพเพหามาอนัตตานะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดคือวิสังขารนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดบ้านถือบ้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนของเราจะเห็นว่าท่อนแรกอย่างเช่เราสังเกตให้ดีสเพสังขาราอนิจจาคือสังขารใช่คําว่าสังขารคือสเพสังขารานิจจาคือสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือร่างกายกับจิตใจคือ ลูปธรรมกับนามธรรมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปข้อสองคือสัพเพสังขาราทุกขาตัว น, นี้ก็ใช้สังขารคือสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมานามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นมันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่พอข้อ ท, ที่สามเนี่ยสัพเทธรรมมาอนัตตาเจ็นว่า พราออนิจจังใช้สัเพสสังขาระอนิจจาสัเพสังขาระอนิจจาสัเพสังขาระทุกขาพอถึงอนัตตาสัเพธธรมาอนัตตาเห็นไหมคืออนัตตาส่วนที่ใช้สัเพธธรมาตอนแรกมันสัเพสังขาระอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัเพสังขาระทุกขาสังขารเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย สพพอถึงสัพนาตาสัพเพธมาอนาตาคือทั้งสังขารตัวนที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่ต้องเกิดต้องดับและวิสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดมั่นว่าสังขารและวิสังขารเนี่ยคือธาตุทีท่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็น ตัวเราเนี่ยมันไม่มีเลยในสังขารก็ไม่มีทั้งวิสังขารก็ไม่มีเลยสรุปไม่มีตัวเราทั้งหมดเลยไม่อาจจะมีอะไรเป็นตัวเราได้เพราะว่าทั้งในสังขารและวิสังขารขนาดในนิพพานธานก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยที่เป็นวิสังขารเนี่ยความไม่ปรุงแต่งก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยถ้าเราไม่โยนิสโสมนัิการอันนี้ไว้ในใจอะเราก็จะปฏิบัติอย่างไงก็มีตัวเราตัวเราอยู่พื้นตอนนี้มันก็จะหลงอยู่แล้ เขเรียกถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าอโยนิโสมนณาติการคือเพราะความไม่โยนิโสมนณาติการไว้คือไม่อาจพ้นทุกข์ได้คือไม่อโยนิโสมรณาติการเรื่องอะไรอริจังทุกขังอนัตตาสเพสังฆาราอริจ่าสเปสังฆาราทุกขะสเพสธรรมาอนัตตาเนี่ยไม่โยนิโสตรงนี้ไว้โดยเฉพาะสเพสธรรมาอนัตตาคือสังสังขารและวิสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างวันเนี้เห็นชัดเลย เขาบอกเขาไม่ได้เขาไม่ไปยึดสังขารอะไรอีกแล้วเขาไม่ได้ยึดสังขารอะไรแต่เลยทาไมมันจิตตั้งเดิมแต่แฉมันเหมือนมีครอบแก้วใสเนี่ยครอบไว้หมดปกติจิตตั้งเดิมแต่แฉเนี่ยมันจะต้องไปปรากฏอะไรเลยนี่มันเหมือนมีครอบแก้วครอบจิตตั้งเดิมแต่แฉคือเหมือนกับเป็นความว่างกัจริงเนี่ยเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรก็ตามแต่มันมันอยู่ว่างอยู่ในครอบแก้วคือความไม่มีตัวตนเนี่ยมันถูกครอบแก้วขังไว้ได้ เอ๊ะทำไมความไม่มีตัวตนมันถูกขรอบแก้วขังไว้ได้วะก็เพราะว่ามันไปยึดเอาความไม่มีตัวตนเป็นตัวเราพอไปยึดไอ้ไอ้สังขารตั้งบัวเป็นตัวเรากลับไปยึดเอาไอ้วิสังขารคือความไม่มีตัวตนะความไม่มีอะไรเป็นตัวเราคือตัวเราไม่มีอะไรยึดไว้ว่าตัวเราไม่มีอะไรตัวเราเป็นความไม่มีอะไรตพอพยายามค้นหาทั้งวันเลยนะคะหลวงตาทั้งที่มันก็รู้ตัวเองว่ามันแบบว่าว่าจิตเติมแท้เขาไม่มีอะไรกั้นเลย แต่แับยังเข้าใจไหมหยกพาใจมากขึ้นไหมอ๋อหยกพูดแล้วไหมอ๋อไม่งนเราไปจับความว่างเป็นตัวเราความไม่มีอะไรเนี่ยท่านโอชอบทําอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่จับสังขารก็ไปจับความว่างความไม่มีอะไรเป็นตัวเราความไม่มีอะไรที่ดวงตาบอกเนี่ยคือมันคือการไม่จับอะไรไม่จับกระไม่ลงไปเป็นผู้กระทําง่ายๆค่ะคือไม่ลงไปจับมัน คือปล่อยให้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ว่าคือให้รู้ว่าเป็นสังค์ให้รู้มันเป็นสังขารนะคะไม่ใช่ว่าตัวเราคือแม้แม้กระทั่งจิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือที่หนูหนูหนูเข้าใจนะคะคือแม้กระทั่งจิตหรือแม้กระทั่งกายเนี่ยเราก็ต้องมองมองเราให้เรามองอ่ะให้เรารู้อยู่อยู่แบบอยู่เลยให้รู้อยู่ตลอดเวลาเลยคือว่าให้รู้ว่ามัน มันไม่มีอะไรยึดได้ไม่มีอะไรได้มันไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยค่ะส่วนส่วนความความว่างหรือที่หนงตาบอกอ่ะคือมันอันนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใช่มันเป็นแค่คําพูดอะค่ะมันเป็นแค่คําพูดมันไม่สามารถกั้นอะไรได้เลยพอพอบอกเป็นอย่า ง, งานั้นปุ๊บคนก็จะไปสร้างจับความว่างตรงเนี้ยว่าอันนั้นคือจิตเดิมแท้จริ ง, รงๆก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าพอจับว่าอันนี้มันเป็นความว่างปุ๊บเหมือนเป็นการกระทําให้มันเป็นความว่างใช่ใช เข้าใจว่าอย่างไั้นะคือจะทำอะไรให้เป็นอะไรปุ๊บมันก็เริ่มแค่เห็นว่าเริ่มเริ่มคิดเริ่มกระทำอะ่ะไปส่องมองมองจ้องดูเนี่ยแล้วก็เป็นผู้กระทำแล้วอะค่ะเหมือนการตั้งไว้ตั้งไว้แล้วคอยคอยยิงเป้ายิงเป้าเนี่ยค่ะนรต้องแล้วอย่างงั้นเนี่ยนัทจะเจื่พูดอะไรหน่อยไห่ะ อิบายตรงนี้หนะ่ยม่ฟังอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะเราจะพูดอะไรบ้างแอ่มาเอามาพูดมาสิามด่ดีกว่าครับจะพูดอะไรจะใจใจบ้างล่ะพูดถึงเรื่องจิตปรุงแต่งนะครับคือจริงๆแล้วเหมือนกับทุกอย่างที่พูดถึงมันมันเป็นเรื่องจิตหมดเลยครั บ, รบทั้งที่ปรุงแต่งแล้วก็ทั้งที่อาการต่างๆนะครับ แล้วก็ทั้งที่หลงก็มันก็เป็นปรงแต่งเป็นจิต้งหมดเลยฮะทาตัวแล้วเหมือนกับว่าให้รู้อะครับก็คือสติรู้รู้ในขณะปัจจุบันหรือเปล่าครั บ, รบพออยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็จะเห็นความคิดโดยปริยายตัวเองนะครับนะครับมาเมืเ่อไหร่ที่ไม่หลงไปอยู่กับปัจจุบันก็ไปอยู่กับอย่างอื่นมันก็ไปกับคิดหมดอะครับ เลยถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิตจิตก็ไปเอาไปกินนะครับอร่อยเลย <c oughs> แล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็อยู่กับปัจจุบันก็นาก่าจะประมาณนี้นะครับรีแสแตกหน้าพี่โอเลยเนะ <c oughs> นีน่ยแม้แต่ว่านั่นแหละสรุปจากปัจจุบันเมื่อไหร่ไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดจิตหลงหมดแหละขณาดจิตปัจจุบันก็คือเนี่ยมันมีลิงป่าอยู่ตลอดเวลาเนะี่ย เราต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ในกระดาปัจจุบันม่งั้ก็หลงหมดแล้ว